ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกในวันก่อนได้พูดมาถึงถึงลักษณะที่คนมือไวและก็ไวใหญ่ความจริงลักษณะมือไวนี่มียสามลักษณะด้วยกัน มือไวเล็กไวกลางและ ก, ก็ับไใหญ่แต่ประเภทมือไวเล็กก็ลักเล็กลักน้อยขโมยเล็กขโมยน้อยโกงเล็กโกงน้อยถ้ามือไวกลางก็หมายถึงว่าลักลักมากขนาดกลางกลางยังมีเงินสักล้านสองล้านแกก็แบกไปหมดมีรถแท็กอร์มีรถยนต์มีผ้ามีเครื่องเพชรนิ่จินดาแกก็แบ ก, กบไปของที่มีค่า ดีไม่ดีก็จับเอาค่าไทยอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัยเป็นมือวัยกลางมือวัยใหญ่ก็หมายความร่ารัฐทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งประเทศของคนทุกคนมาไว้อำนาจเป็นส่วนกลางแ <c oughs> ปลอำนาจส่วนกลางแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กันกินเปน็นอันว่าความมือวัยทั้งสามรายการนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ตาเล น, นชอบโดยไหมว่าเป็นของดีและของไม่ดีแต่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นของไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินของแต่ละ บ, บุคคลที่จะพึงหามันได้แสนลาบากยากเขินเมื่อหาได้น้อยเขาก็มีความสุขน้อยหาได้มากเขาชับใจใช้สอยมากก็มีความสุขมาก แมว่าทั้งประเทศไทยนี่คนหาไม่ได้เลยไม่มีได้สํารวจดูแลแม้แต่อยู่ในประเทศเขตปลายแดนที่ทางฝ่ายราชการเราเข้าไม่เข้ยจะถึงหรือบางทีก็เข้าไม่ถึงเส้นเลยก็มีพรารายกฏว่าเคยถามบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นว่าเคยมีข้ารการมาเยี่ยมมาเยือนไหมเขาบอกก็ไม่เคยเห็น เขาไม่เคยเห็นเนี่ยบางทีท่ยานเกยการชั้นผู้ใหญ่ชั้นูนน้อยถ้านอยายไปแต่เขาไม่เห็นก็ได้เป็นอันว่าเห็นหรือไม่เห็นว่าทางเยยกษตรกรก็ไม่เคยเข้าไปพบกับเขาแต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอยู่ด้วยความเป็นสุขทําไร่บ้างทํานาแต่เพียงเล็กน้อยพือข้าวพอกินทําไร่ก็ไม่มากนักเพียงข้าวพอกินพอใช้ เหลือกินเหลือใช้ก็มาแลกเอามาเปลี่ยนเอามาซื้อมาขายเขาก็ไม่อดแถมเขายังมีความสุขด้วยถามเขาว่าที่นี่ของเคยหายไหมเห็นบ้านของเขามีฝาไม่ครบดีไม่ดีก็มีอยู่สามด้านบางรายก็มีไม่ครบสามด้านประตูก็ไม่มี แล้วก็หน้าต่างก็ไม่มีไม่จําเป็นจะต้องทำเพราะอากาศโปร่งสบายทรัพย์สินเรื่องหลายที่หามันได้ก็วางกันเลนกลื่กละดับถามว่าของเคยหายไหมเขาบอกก็ไม่เคยหายถามเรื่องความสุขสบายเขาต่อมีความสุขดีเครื่องแต่งเลือ้อแต่งตัวก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีผ้ากันคนใดชิ้นสองชิ้นเขาก็มีความสุข ถามว่าเครื่องแต่งตัวทั้งหมดไปซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาทำกันเอง <c oughs> แว่นนั้นว่าแดนที่ไม่มีคนมือไวเป็นแดนที่มีความสุขก็เลยนั่งคิดว่าคนพวกนี้แต่เข้าไปอยู่ในเขตที่เจริญแล้วที่ชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกว่าเจริญแล้วแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาถือว่าเสื่อมแล้ว โลกมองดูวัตถุว่าเป็นแดนเป็นของเจริญแต่ศาสนาดูด้านจิตใจไม่ได้ดูวัตถุถือว่าถ้าจิตใ จ, จเจริญวัตถุก็จเจริญถ้าจิตใจไม่เจริญวัตถุจเจริญก็จเจริญไม่เต็มที่คือไม่พรดีกับทรัพย์สินที่จ่ายไปทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าถ้าคนประเภทมือไว บังเอิญจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของส่วนกลางก็เห็นว่าสร้างในราคาแพงอย่างผู้พูดเองเคยทํางานก่อสร้างมามากทำงานประเภทใดถ้าเหมาทําการก่อสร้างผู้พูดไม่ใช่ผู้รับเหมา <c oughs> ผู้พูดเป็นผู้สร้างในส่วนสธนาธารณประโยชน์ทํามาเยอะ แต่งานชิ้นไหนถ้าหากว่าเป็นงานต้องรับเหมาเหมาให้ผู้รับเหมาทางานชิ้นนั้นท่านนั้นหลายราคาแพงมากถ้าหากว่าซื้อของมามาซอเองซื้อวัตถุ ก, ก่อสร้างมาเองแล้วก็จ้างช่างมาทำการก่อสร้างจ่ายแต่ค่าแรงงานค่าวัตถุหาเอง วัตถุที่ใช้ทำการก่อสร้างแข็งแรงกว่าแบบแผนที่เขาทำไว้ต้องใช้สิ้นเปลืองกว่ามากกว่าตามแบบที่เขาบอกไว้ได้ราคาที่จ่ายจริงๆประมาณห้าสิบเปของการรับเหมาเท่านั้นนี่เย็นว่าการเหมาทำไมจะต้องเสียสตังค์มากเสียเงินมาก ไปถามผู้รับเหมาแล้วเขาเบอกว่าหนักทุกอย่างหนึ่งค่าแบบที่จะต้องเขียนไปก็ต้องเสียราคาเป็นหมื่นถ้าของใหญ่ใหญ่อาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ได้รายการที่สองการรับเหมาเมื่อประเมินราคาลงไปแล้วก็เกรงว่าของราคาที่ซื้อมาจะได้ของราคาจะขึ้นราคาต้องเผื่อราคาของขึ้นไปด้วย รายการที่สามเกรงว่าจะไม่ทันเวลาค่าจ้างก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไวเพราะว่าถ้าทำลงไปแล้วถ้าไม่ไปทันจะเวลาก็าอาจจะถูกปรับแลวดีไม่ดีลูกจ้างที่มาจ้างทำงานก็าอาจจะขึ้นราคาก็ได้ก็ต้องตั้งราคาเผื่อเข้าไว้รายการต่อไปนั่นก็คือคนคุมงาน ต้องตามใจท่านเขาบอกว่างานประเภทนี้เงินประเภทนี้ตั้งงบประมาณไม่ได้โดยเงินตามใจท่านนี่เรืการต่อไปขั้นสุดท้ายเขาก็ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นความจำเป็นเปน็นเพราะ ง, งานเหมากับงานที่ควบคุมการก่อสร้างเองถูกกว่ากันมากแล้วก็ดีกว่ากันมาก ที่เป็นอย่างนั้นพ่ออะไรก็เพราะว่าความมือไวเป็นสําคัญใครเป็นผู้มือไวก็ต้องคิดกันไปดูคําว่ามือไวในที่นี้ก็หมายความว่าของนะ่าอาจจะไม่ทรงราคาก็เพราะว่าสถานาการณ์ของบ้านเมืองบีบบังคับเขาต้องเสียภาษีอากรภาษีก็มีอีกสองประเภทที่เขาคุยให้ฟัง ประเภทตามกฎหมายและประเภทนำกฎหมายเขาบอกว่าภาษีประเภทตามกฎหมายนี่เขาไม่หนักใจแต่ว่าหนักใจประเภทภาษีประเภทนำกฎหมายเพราะว่ากฎหมายยังไม่มีแต่ว่าต้องเสียนี่ถ้าหากว่าประเภทนี้ไม่มีความมือไว้ไม่มี ความเจริญมันก็จะรุ่งเรืองมากไปกว่านี้อาคารที่สร้างไปแล้วหนึ่งหลังเท่ากับสองหลังถ้าห น, นนที่สร้างไปหนึ่งสายนี่ขอพูดตามข่าวนังซื้อพิมพ์เขาบอกว่าแต่ละสายละสายจ่ายเงินมากเกินไปเพราะว่ามีประเภทมือไวเข้าไปผปสมเขาว่าอย่างนั้นเป็นข่าวแน่ดีที่นานมาแล้ว <c oughs> แต่ในปัจจุบันนี้จะแก้ไขแล้วก็ได้นี่ทางพระพุทธศาสนายังถือว่าถ้าใจเจริญแล้วก็ที่ก็เจริญมากใจเจริญไปยังไงใจก็ไม่ละโมบหลบมากไม่คดไม่โกงสิ่งกันและกั น, กนไม่ลักไม่ขโมยซิ่งกันแกันไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอะไรแค่ไหนว่ากันแค่นั้นเป็นอ น, นว่าก็จะมีความเจริญพอ และเจริญยิ่งกว่านี้มากที่บอกว่าเจริญยิ่งกว่านี้ไม่ใช่หมายความปัจจุบันนี้มีคนโกงมีคนลักมีคนขโมยมาก <c oughs> เพราะว่างานนี้ไม่ใช่มีในปัจจุบันมีมาตั้งแต่อดีต <c oughs> ในอดีตนี่ฟังข่าวนองเสือพิมพ์อยู่เสมอประเภทมือไว รู้ว่าบางทีท่นังไหลเหล่านั้นเป็นผู้ออกกฎหมายเองเป็นผู้ควบคุมกฎหมายเองสามารถจะลงโทษบุคคลอื่นได้เองแต่แต่ว่านักสื่อพิมพ์เขาก็กลับลงข่าวว่าท่านงหลเหล่านั้นกลับถูกกฎหมายเล่งงานซะเองและผลดีปรากฏก็คือถูกลงโทษตามกฎหมายที่วางไว้ นี่เป็นอันว่าจิตใจของท่านพวนั้นไม่ได้เจริญไปตามรอยที่พระพุทธศาสนาส่งสอนแต่หา ว, ว่าจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเจริญตามศาสนาสอนแล้วอาการอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ปรากฏการถูกลงโทษในฐานะที่ตัวมีอำนาจมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษเขาแต่งตั้งไวใ้ให้ลงโทษคนอื่นไม่ใช่ลงโทษตนเอง แต่ตนเองกลับมีโทษตนเองอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาตั้งใจช่วยคนในโลกแต่คนในโลกไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาเป็นอนุว่าในเรื่องนี้ถ้าคนทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระศาสนาโดยที่คนทุกคนเป็นคนไม่มือไว ความเจริญของประเทศชาติจะมีได้เพียงใดลองมานั่งคิดกันดูอาคารหนึ่งหลังที่ผู้พูดเคยทำมาแล้วเพราะว่ามีคนที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นที่รักกันบ้างเขาเป็นผู้รับเหมาแล้วเขาก็มาตีราคาให้มาคิดให้ทั้งหมดคิดวัตถุ ก, ก่สาาอสร้างทั้งหมดตีราคาก่อสร้างทั้งหมด ว่าท้าเหมาต้องตาตรางมิตรเท่านั้นเวลาสร้างจริงจริงจะสร้างแต่เพาะแรงงานเข้ามาแล้วก็ซื้อวัตถุ ก, ก่อสร้างเองโรงสูงกว่านั้นทำสูงกว่านั้นเป็นอันว่าของที่สร้างลงไปราคามันประมาณห้าสเปอร์ซน์เท่านั้นจึงได้ถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าเกรงพวกนากฎหมาย ที่แพงเนี่ยแพงเพราะการนำกฎหมายเป็นสำคัญประก็บ ก, กรบการประมูลก็ต้องเผื่อไว้เกรงว่าของจยะขึ้น <c oughs> เป็นอนว่าถ้าประเภทมือไวไม่มีในโลกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเราไม่ครบกับการมือไวคนมือไวมีที่ไหนเราไม่ครบและจิตใจของเราก็ไม่ครบความให้เป็นผู้ในฐานะที่ต้องการความเป็นผู้มือไว เป็นนั้นว่าคนทั้งโลกต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทรยศซึ่งกันและกันไม่คดโกงซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งทรพทัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของเขาไม่เต็มใจจะให้ถ้ า, าการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทั้งโลกอะไรจะดีขึ้นบ้าง เราก็ไปนั่งมองความดีกันว่าคนทุกคนถ้าทําอย่างนั้นก็ชื่อ ว, ว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธเจา้าหรือว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามานั่งช่วยกันคิดว่าคนทุกคนไม่ขโมยในโลกบ้านทุกหลังอาคารทุกหลังไม่ต้องสร้างแข็งแรงเกินไป ทำให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยโชคคราวเรียกว่าจะนานก็ได้แข็งแรงก็ได้แต่ว่าไม่มีเครื่องมุงบังมากนะักเขาไม่ต้องเกรงขโมยขยโจรการที่เกรงว่าเขาจะมาลักจะมาขโมยสิ่งของที่มีอยู่นั้นทําให้ต้องลงทุนมากสร้างห้องเก็บของก็ให้แข็งแรงทํารั้วกําแพงก็ต้องให้แข็งแรงประตูนอกประตูนในต้องแข็งแรงอันนี้ลงทุนเพิ่มไปเท่าไหร่ แต่ระ้วปตูต้องมีกุญแจกุญแจดอกหนึ่งราคาเท่าไรเอาเฉพาะในประเทศไทยคน43ล้านคนแต่บังเอิญจะมีบ้านสักหนึ่งล้านหลังจะเพาะกุญแจดอกเดียวถ้าดอกละห้าบาทแล้วก็ต้องเสียเงินไปเปล่าห้าล้านบาทถ้าใช้กุญแจหลายดอกก็เพิ่มมากกว่านั้น ถ้าต้องใช้ตู้ใช้เซฟเก็บของเพราะเกงเรงว่าขโมยจะลักตู้หรือเซฟนิราคาแพงมากก็ลองคิดปริมาณเพิ่มขึ้นไป <c oughs> การสร้างรั้วสร้างกำแพงใหญ่ๆปิดบงังก็เพราะเกรงขโมยกระโจนลงทุนเท่าไหร่ <c oughs> เราก็จะต้องเสียเงินให้แก่เจ้าหนะ้าที่ที่คอยป้องกันภัยและลงโทษคนที่จะลักจะขโมยกรมตารวจจ่ายเงิน ตั้งงบประมาณปีละเท่าไรกรมอัยการจ่ายมีเงินปีละเท่าไรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินปีละเท่าไรเว้นนั้นว่าเราต้องจ่ายมากไปกว่านั้นจ่ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเป้นอันว่างบประมาณไปจําปีทั้งหมด ที่จ้างขึ้นมานี่ก็เพราะว่าคนไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาโดยที่ทุกคนไม่มีคนใจร้ายไม่มือไว้ทั้งสองอย่างเรือนจาทุกเรือนจาก็ไม่ต้องมีจะมีไว้ทาไมมีแต่คนดี เจ้าหน้าที่เรือนจําเราจะจ่ายเท่าไรเรือนจําแต่ละแห่งถ้าลงทุนเท่าไรค่าใช้จ่ายในนั้นทั้งหมดปีละเท่าไรถ้ามันเป็นสิบปีเป็นร้อยปีขึ้นมาต้องจ่ายเท่าไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่นายกท่าธรรีขึ้นมาลงมาถึงแม่พูดตั้งแต่ถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ต้องมี ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนดีสมบรรรักกันทั้งโลกเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งโลกจะมีใครรักใครขโมยกันมีแต่คนรักกันมีแต่คนส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโทษท่านอะไรไมันจะพึงมีจะต้องไปลงโทษกันเป็นอันว่าเราก็ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่มาควบคุมเรา และ ว, วัตถุสิ่งของต่างๆก็จะไม่แพงเท่านี้เพราะว่าของที่ซื้อกันไปซื้อกันมาไม่ต้องเสียภาษีจะเสียไปให้ใครว่าภาษีนี่เขาเอาไปจ้างคนที่มาควบคุมเราแล้วก็จ้างคนที่เอาเงินค่าภาษีก่อนทั้งหมดมาสร้างถนนทนทางให้กับพวกเรา แต่เงินจำนวนนั้นมันก็ต้องจ่ายแพงเกินกว่าปกติเพราะว่าต้องเหมาได้พูดมาแล้วว่าการเหมาเนี่ยมันเสียมากเท่าไหร่ถ้าทุกคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่นี่ไม่มีถนนเราก็ทำถนนของเราขึ้นมาคลองที่นี่ตื้นเขินแล้วก็ทำให้มันลึกลงไปช่วยกันลอกคลองที่นี่น้ำไม่พอใช้เราก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันสร้างถนนบางเขื่อขึ้นมา เป็นอันว่ทุกอย่างต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพื่อกลกันต่างคนต่างยอมรับทับถือในสิทธิในทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันท่านลงนั่งดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแล้วหรือยังถ้ายังไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยก็ไม่รู้สึกไม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงถก ความจริงทามาแล้วพระพุทธเจ้าทามาแล้วสองพันปีเศษช่วยเหลือมาแต่ไปนั่งดูว่าคนไทยทั้งประเทศเฉพาะคนไทยที่เป็นประเทศที่ประกาศว่านับถือพระพุทธศาสนามีคนเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ยอมรับนับถือ แต่ว่าคนที่ไม่ยอมรับนับถือหรือไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาก็มีมากเกินไปถ้อยท่านนั้นหลายมานั่งดูนั่งคิดดูกันแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจช่วยจริงๆนะว่าถ้าหวังผลประโยชน์ของท่านแล้วก็หมายความว่าถ้าบวชเข้ามามันจะดีกว่ามีความเป็นสุขก็ใส่ชาวบ้านเขาหากินกินข้าวของชาวบ้าน ที่อยู่ชะบ้านสร้างให้อย่าลืมพระองค์สมเด็จไปจอมไตรท่านเป็นลูกของกษัตริย์แม้ท่านก็ไปกษัตริย์ด้วยท่านจะต้องอาศัยที่ชะบ้านเขาให้กินท่านเป็นกษัตริย์ดีกว่าเราะว่ากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากในสมัยนั้นเมียหน้าเต็มที่มีความเป็นอยู่ดีกว่ามาบทเป็นพระต้อนอนกลางดินกินกลางทราย ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าชาวโลกมีความทุกข์ต้องการยะ่ห้มีความสุขจึงได้เสียสละความสุขส่วนตนเสียแล้วก็มาเพิ่มพูนความสุขให้แก่บุคคลอื่นแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายอาการอย่างนั้นใครบ้างหนอที่รับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนา เป็นอ น, นุาการที่บรรดาประชาชนหลายท่านด้วยกันมาพูดว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์เลยวัดวารามสร้างก็เสยใหญ่โตแต่ความจริงวัดที่สร้างขึ้นมานี่สร้างด้วยกาลังศรัทธาขบคลพูดพูดช่วยเหลือไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกำลังของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา แล้วเขาก็บอกว่าพระบวชคข้ามานี่ทำให้เศรษฐกิจยับเยินไม่ได้เสียภเสีก่อนไม่ได้สร้างความเจริญไม่ได้ช่วยประเทศชาติสำหรับผู้พูดเองก็ไม่มีความเข้าใจนักเรื่องของพระของสองฆ์ของท่านก็ไม่มีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกล่าวกันอย่างนั้นจริงๆ จ, จ, จะมองกันดูอีกที ก็มีพระเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้นยัางสมัยก่อนด้านเหนือก็มีครูบาศรีวิชัยนี่ท่านก็ทำถนนทุนทางแม้ได้ขึ้นดอยสุเทพท่านก็ทำเวลานั้นรัฐบาลยังทำไม่ได้ท่านก็ทำได้และยังหลวงปู่ชุ่มปาสาทิโกวัดบางมุย ทางขึ้นไปดอยตุงที่เป็นทางระยะไกลทั้งสิบเจ็ดกิโลท่านก็เป็นผู้บุกเบิกบุกเ บ, บิกเป็นคนแรกการทำนังสองท่านนี้ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายทองอาศัยแรงศรัทธาของปัรดาประชาชนช่วยกันทำท่านไม่มีงบประมาณจะได้ทำก็ไม่มีใครก็ให้งบประมาณหากว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าพระทั้งหลายยังช่วยประเทศชาติไม่พอ ก็น่าจะทำได้ด้วยสัยการขอร้องกัมมันดาพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมให้วัดแต่ละวัดเข้าประสายงานกับทางรัฐบาลได้เป็นไปโดยธรรมตามพระธรรมวินัยมาไปขอร้องทึงเกินพระธรรมวินัยนี้พระก็ทำไม่ได้ความจริงพระท่านทำได้เยอะ เพราะท่านติดต่อกับประชาชนได้ดีเพราะเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอยู่แล้วแต่ถ้าว่าทางนี้ก็ต้องขอให้มันดาพระผู้ใหญ่ท่านเลือกพระสักหน่อยหนึ่งคือคนที่จะเข้ามาเป็นพระแล้วก็ปกครองวัดขอให้ท่านนั้นไหลเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเพียงเท่านี้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ชนะจิตใจคนเพราะว่าเป็นที่เคารพนับถือของคนในเมื่อเป็นที่เคารพนับถือของคนแล้วก็สามารถจะชักจูงคนให้ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหนึ่งปีหนึ่งทำชิ้นหนึ่งซึ่งไม่มากนักตามกำลังของบุคคลในหมนั้นจะพึงทาได้ ถ ต, ต่างวัดต่างช่วยกันทำแบบนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เพาประมาณรัฐบาลก็ไม่ต้องใจามากความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีขึ้นถ้าจะถอยหลังจากนี้ไปประมาณั้งสาสปีเสษจเห็นว่าในสมัยนั้นรัฐบาลท่านมีความฉลาดหรือว่าท่านยางโง่กว่าสมัยนี้อาตมา ก, ก็ไม่ทราบนะ แลก็ต้องขอพูดว่าท่านมีความฉลาดอยู่จุดหนึ่งเอาจุดเดียวแต่ความจริงท่านฉลาดมากถ้าวัดใดสร้างโรงเรียนตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการราคาของโรงเรียนหลังนั้นหนึ่งบาทสร้างเสร็จ ท, ทางรัฐบาลให้ห้สิบต่างให้ครึ่งหนึ่งเป็นอันว่าในสมัยนั้นวัดต่างๆสร้างโรงเรียนกันเป็นแถว เพราะว่าเงินที่เหลือจากนั้นได้มาจากสตางค์ของประชาชนนี่จะเห็นว่าถ้าทางรัฐบาลสนับสนุนราชการสนับสนุนแล้วก็วัดทำได้ดีแล้วก็เปการไม่เส้นเกลียงงบประมาณวัตถุแลคานทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาถ้าเป็นงบประมาณเสียทั้งหมดชาวบ้านจะเห็นว่าไม่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นของทางราชการ แต่ว่าในสมัยนั้นในเมื่อวัดสร้างขึ้นมาแล้วชาวบ้านต้องร่วมแรงงานกันด้วยต้องเงินทอมาสร้างเสริมด้วยช่วยให้เขาคิดว่าโรงเรียนหลังนั้นเป็นทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เลยช่วยกันบำรุงรักษานี่ประโยชน์มันก็มีอย่างนี้เป็นอนุว่าคำแนะนำของพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตบัณฑิตก็คือคนดีมีบัญญามีเมตตาปราณีทั้งสองรายการนี้ถ้าหากว่าโลกปฏิบัติได้รับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่ทรงแนะนําไว้ขอท่านนั้นหลายจงช่วยกันคิดว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ ความจริงเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องของบัณฑิตละพานนี่ยังไม่จบยังมีอีกมากแต่สําหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนก่อนจะลาก็ขอท่านนันหลายผู้ฟังฟังแล้วก็คิดด้วยช่วยกันคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิทิบรายกาศพระพุทธศาสนาขึ้นมาช่วยโลกแล้วหรือยังและวก็ชาวโลกรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาแล้วก็อย่างวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี